คือคนเราเนี่ยนะมีทั้งพลังบวกแล้วก็พลังลบในตัวพลังบวกก็เช่นเมตตาศรัทธานะรวมถึงสมาธินะพลังลบก็ได้แก่ความระแวงความกลัวความโกรธนะความเกลียดในพลังลบและพลังบวกก็ส่งผลต่อชีวิตจิตใจของเรา ทั้งในวันนี้แล้วก็วันหน้าเคล็ดลับของชีวิตคือว่าเราสามารถจะใช้พลังบวกออกมาเพื่อสร้างสรรค์แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้จักที่จะเสริมสร้างหล่อเลี้ยงพลังบวกด้วยที่จริงพลังลบเนี่ยถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์นะแต่ว่านั่นเป็นอีกนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ อันนี้พลังบัวเราจะเสริมสร้างได้อย่างไรนะมันก็เสริมสร้างได้ยกอย่างเช่นเราปลูกศรัทธาในใจของเราเสมอการมาสวดมนต์เนี่ยถ้าเรารู้ความหมายของบทสวดมนต์เนี่ยจะทำให้เราเกิดศรัทธาในพระรัตนตรยัยนะศรัทธาในพระรัตนตรัยก็ทําให้เรามีพลังในการที่จะเอาชนะความชั่วทั้งในใจเราแล้วก็ความชั่วในการจากการกระทําของผู้อื่นเมตตานะเราก็ สามารถจะสร้างได้ด้วยการที่จะแผ่เมตตาบ่อยๆไม่ใช่แผ่เมตตาด้วยการพูดเหมือนกับนกย่างดูขนทอกแต่วพิจารณาวเวลาเราแผ่เมตตาเราก็ น, อน้อมนถึงคนที่เรารักแล้วก็ตั้งจิต ป, ปรารถนาดีให้เขาแม้กระทั่งคนที่เขาทํำร้ายเราหรือเราเกลียดเขาเนี่ยเราก็แผ่เมตตาให้เขาให้เขาด้วยถ้าเราทําเช่นนี้เนี่ยไม่เพียงแต่พลัง พลังบวกมันจะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันจะไปช่วยลดถอนพลังลบพลังลบ ก, ก, ก็คือความเกลียดความความโกรธเนี่ยพอเราแา้ไม่ตาบ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยล ด, ลดได้แต่ว่าอย่างที่นาบอกคือว่าแค่นึกเอาเนี่ยมันก็ช่วยอยู่หรอ ก, อรอกแต่ว่ามันจะมันจะดีดีกว่าหรือว่าดีมากขึ้นต้องเกิดว่าเราทาด้วยใช่ไหม เช่นเมื่อเราแผ่เมตตาแล้วเนี่ยเราลงมือกระทําที่จริงใ น, ในคําสอนพุทธศาสนาเนี่ยเมตตานี่เป็นเรื่องการทําจิตนะแต่ว่าอย่างที่ธรรมาพูดไปแล้วเมื่อวานมันต้องทํากิจ ด, ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากคําสอนเรื่องพรหมพิหารสี่ซึ่งเป็นเรื่องการทําจิตล้วนๆนะมันมีเรื่องคําสอนอีกอันนึงเป็นเรื่องการทํากิจหรือว่านําไปสู่แอคชั่น เราเรียกหลักธรรมวนนี้ว่าสังข า, นะ า, นะาวัตุสีนะทานนะปิยวจารัชจริยาสมานตต า, ตาแผ่เมตตาแล้วไม่ลงมือเป็นการกระทำเช่นให้ทานไม่แสดงออกด้วยคำพูดไม่นำไปสู่การทำคือการช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะไม่ครบถ้วนแล้วก็มันก็ทำให้ พลังบวกในใจของเราเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะงอกงามแต่ทันทีที่เราลงมือทำนะด้วยคําพูดด้วยการกระทํเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคนที่เรากระทํากับเขาเท่านั้นนะแต่มันจะส่งผลในการหล่อเลี้ยงเพิ่มพูนพลังบวกในใจและทำให้เราเนี่ยมีความรักมีความสามารถที่จะรักคนอื่ในในง่ายขึ้น และความรักของเราเนี่ยมันก็จะมีพลังมากขึ้นคราวนี้เนี่ย <c oughs> สิ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่สามารถจะแสดงออกต่อคนที่เราต่อคนอื่นได้เนี่ยนะโอเคถ้าเป็นถ้าเป็นคนไกลตัวก็เพราะอาเรยังมีความโกรธความเกลียดอ่แล้วกับคนที่เรารักแล้ไมอะไรอะไรทำให้เราแสดงออกไม่ได้ ไม่ว่าด้วยคำพูดหรือโดยการกระทําหรือแม้แต่เพียงแค่การกอดเขาอตมาเคลื่อนมีอยู่สองเหตุเหตุผลนะหนึ่งคือเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่ามันมีอนุภาพสองเราไม่กลา้าเราไม่เชื่อว่ามันจะมันจะมันจะทําให้อะไรดีขึ้นได้หรือว่ามันไม่เราเราไม่เชื่อว่ามันจะมีผลต่อผู้อื่นนะมีเพื่อนอตมาคนนึ่งนะ ก็ไปปรึกษากับหลวงพ่อที่จริงก็ไม่ใช่หลวงพ่อเป็นพระอาจารย์มากกว่าเธอก็อยุ่งษษษษุ่นวสิสิบเธอก็เล่าถึงสามีนะว่าสามีเธอเนี่ยนะชอบกระแนกกระแหนที่เธอมาวัดแล้วก็ชอบอพูดจาไม่ค่อยดีกับเธอเหลายอย่างพระอาจารย์ก็แนะนำให้เธอเนี่ยพูดดีๆกับเขาเ แล้วก็แสดงน้ําใจไมตรีกับเขาเช่นเวลาเขากลับมาบ้านเนี่ก็หาน้ํามาต้อนรับหาของหา ข, หาของหวานอะไรมานะดูแลใจใส่เขาเธอก็บอกว่าทํำไปทําไมทําแล้ว ไ, ได้ประโยชน์อะไรพระท่านก็พูดดีท่านก็บอกว่าเนี่ยก็เวลามันก็ะย ม, มทําบุญนะเวลายมทําบุญยมหวังอะไรไหมนะยมไม่ได้หวังอะไรแต่ยมก็มาทำใช่ไหม เออก็ทำนั่นไงกับสามีก็ทําไปเถอะเธอก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งนะแต่ว่าเนื่องอยากศรัทธาในพระไงก็ไปทําสามีกลับมาเธอก็พูดดียิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่น่าเบื่อตึงเหมือนเมื่อก่อนก็ขมีคขมันเอาน้ํามาหาอะไรมาคอยต้อนรับสามีแล้วก็ทําอย่างอื่นด้วยทําไม่กี่วันสามีนี่เปลี่ยนเลยนะอาทิตย์หนึ่งตอนมาเธอก็ไปหาพระแล้วก็เล่าว่าเกิดอะไรขึ้น มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเธอก็พูดว่าลูกยิทําไปนานแล้วคือเธอไม่เชื่อไงไม่เชื่อว่าทำแล้วมีประโยชน์อะไรคือการแสดงความรักเนี่ยมันมันมันมันมันช่วยสามมันช่วยดึงเอาเอาความดีเอาพลังบวกของอีกฝ่ายออกมาด้วยนะเมื่อเราเมื่อเราแสดงความรักเมื่อเราแสดงความเมตตากรุณามันไม่เพียงแต่ดึงเอาหรือเสริมสร้างพลังบวกในใจเรา แต่มันจะสามารถดึงเอาพลังบสถในใจเขาให้ออกมาจนกระทั่งเอาชนะพลังลบนะพอพอทำพอทำความดีกับเขาพูดจาดีๆเขาแสดงความรักกับเขาเนี่ยความรักในใจเขาเนี่ยก็เริ่มเด่นเ่นบานความดีที่มันจะเติบโตได้ก็ต้องอาศัยความดีเข้ามาหล่อเลี้ยงนะไม่ว่าจะเป็นความดีที่เราทำเองหรือความดีที่ที่ที่ผู้อื่นกระทากับเราเมื่อเธอเมื่อเมื่อพียงคนนี้ทําความดีกับสามีเนี่ย นะความดีหรือพลังแห่งความดใีในใจของสามีข้องงองาม จ, จนสามารถจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาให้กลับมาอ่อนโยนให้กลับมานุ่มนวลไม่เลิกกันนักนันไหภรรยานะพูดติดต่อกันมากขึ้นที่จริงไม่ใช่เฉพาะกับคนรักใกล้ตัวเท่านั้นนะแม้กับคนที่คนที่เราเคือห่าห ม, มั่งเมอหรือว่าหรือว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราเล ย, เ, ยเพียงแค่เราแสดงความรัก ว่าเมตตามน้ําใจแมตรีมันช่วยเขาได้เยอะมีผู้ชายคนหนึ่งแกเล่า ว, ว่าตัวแกเนี่ยขายขายของที่ห้างจตุจักนะแล้วก็ไม่นานเนี่ยต่อมาก็มีคนเนี่ยมีการเปลี่ยนเปลี่ยนมือลายข้าง้างนะมีคนใหม่เข้ามาสองสมวันเท่านั้นแหละที่เขาเข้ามาในปกว่าเขาก็แสดงเขาก็ออกฤทธิ์เลยนะเขาเอกภาพเนี่ย ภาพที่เขาโชว์้ขายเนี่ยเป็นภาอใหญ่ๆเลยนะมาบาังหน้าร้านเขาหนึ่งในสามเลยถ้าเราเป็นผู้ชายคนนี้เนี่ยนะสมมติชื่อว่าชื่อว่าพรเนี่ยนะเราจะรู้สึกกับไอ้คนข้างๆนีอย่างไรเห็นแก่ตัวเราเปรียบใช่ไหมแล้วเราจะทําอย่างไรบางคนอาจจะคิดว่าไปต่อว่าเขาแต่การต่อว่าเขาก็รู้ว่าคนที่ชื่อพรเขาก็รู้ต่อว่าไม่มีประโยชน์แถมจะทำให้เกิดเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน พอเราไปว่าเขาก็ท่ากับเราไปดึงพลังลบในใจเขาออกมาทําให้เกิดความรู้สึกโกรธเกียดกันมากขึ้นคนที่ชื่อความก็คิดว่าอย่างนี้ไม่ได้ผลไม่มีประโยชน์วันหนึ่งเนี่ยเขาก็ทิ้วผลไม้ส้มองุ่นสองกิโลเนี่ยมาเขาออกไปข้างนอกแล้วก็ทิ้วผลไม้มามาที่ร้านของคนที่ชื่อเดชเนี่ยที่อยู่ติดกันก็บอกเนี่ยผมเมื่อกี้ผมออกไปข้างนอกมานะ แล้วก็ไปเจอร้านผลเเจอแผงลอยผลไม้นะเห็นผลไม้มันดูน่าอร่อยนะก็เลยซื้อมาฝากเพราะคิดว่าคุณคงชอบไอหมอนไดงงงนะ ช, ชื่อเดชงงเลยนะเปียนใจนะผอก็บอกไม่ต้องเกียนใจนะเราอยู่เราเป็นเพื่อนบ้านกันเมียแล้วต้องช่วยเหลือกันมันก็เป็นพี่น้องนะ เฮียอย่าเก่งใจเลยนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเพอพูดที่เข้าแกก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จ ะ, ะเป็นก<ม>ําเองแล้วแล้วก็เลยหลยังจากก็เลยคุยกันนะเหมือนกับถูกคอกันเลยวันรุ่งขึ้น <c oughs> พรเปิดร้านปรกากฏว่าไอ้รูปที่มาบังหน้าร้านแก่หายไปนะแล้วแกก็เลยไปหาเข้าไปที่ร้านของเดชเฮียไอ้รูปที่ วางไว้หน้าร้านเนี่ยของผม่ยมันหายไปไหนเฮียขายได้แล้วเหรอเด็กก็บอกเปล่ายัางขายไม่ได้หรอกนะของแต่ว่าตอนนี้เอาไว้เอาไว้ที่ในร้านแล้วอ้าวทำไมเฮียไม่ไปไม่ไปวางไว้ไว้ที่เดิมนะเกงใจเฮียนะไปวางไว้เนี่ยมันปิดมันปิดมันมันบังหน้าร้านเฮี <c oughs> เดี๋ยวลูกค้าของเฮียมาก็มองไม่เห็นว่าใช่ไหมคือจากคนที่เห็นแต่ตัวนะพอได้รับน้าใจนะ ซึ่งก็เป็นความรักชนิดหนึ่งใช่ไมเพราะกูว่าแกรู้สึกเลยนะเฮ้ยน่าเกียดนะไปบาง้าน์เขาไอ้ทรงที่บอกว่าน่าเกลียดไปบางไาน์เขาเนี่ยก็คือพลังบวกใช่ไหมพลังบวกเนี่ยมันก็มีในใจของคนที่ชื่อเดชแต่ว่ามันมันถูกคร่องกอบด้วยพลังลบ ก, ก็คือความแก่ตัวกูจะวางสักอย่างมีอะไรไหมแต่พอเจอพอพ อ, พอมีคนอื่นกระทาความดีกับ พอพรเนี่ยทความดีกับเดชเนี่ยเดชความดีในใจเดชมันก็งอกงามขึ้นแล้วมันก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยน่าเกียดนะไปวางของไว้บางหน้าร้านเขาใช่ไไอ้พลังบวกนี่แหละที่ทําให้เดชเนี่ยเอาเอาป้ายนันเนี่ยมาเก็บไว้ในร่างของตัวเองใช่คือเนี่ยเราต้องเชื่อนะว่าความรักความแมกตา ม, มันมีพลัง มันไม่ใช่ทำให้เราเนี่ยอ่อนโยนมากขึ้นมีความสุขได้ง่ายขึ้นแต่มันสามารถที่จะดึงเอาพลังบวกในใจเขาของอีกคนนึงขึ้นมาและเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนที่อ่อนโยนหรือกลายเป็นคนที่มีน้าใจมากขึ้นเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมีเยอะมากนะมีเยอะมากคนที่ทะเลาะกับพักข้างบ้านเอาขยะมาทิ้งไว้หน้าบ้านนะเสร็จแล้วแทนที่จะไปทะเลาะ ด, ด้วยเนี่ยก็ไปทําดีกับเขา มีของปีใหม่ก็เอาของมาให้สงกรานต์ตุจจีงก็ไปให้พฤติกรรมเปลี่ยนเลยนะความเป็นกระตัวที่หายไปเลยมีแต่ความน้ําใจมาแทนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีความเ ช, ชื่อเชื่อในอนุภาพก่อนถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณก็ไม่ทำใช่ไหมเพราะคนเราจะทําอะไรเพราะความเชื่อที่ถ้าคุณเชื่อความรักเนี่ยมันเยียวยาจิตใจผู้คนได้ความรักนี่มันสามารถจะเปลี่ยนแปลงผู้คนได้สามารถจะเอาชนะใจผู้คนได้ แต่เราไม่ได้ทำเพื่อชนะนะแต่ว่า ม, ม, มันเป็นของมันเองถ้าันทีที่เราทําเพื่อต้องการชนะคนนี้ผิดเลยนะน่าแสดงว่าเราทําด้วยกิเลสเราไม่ได้ทําด้วยพลังบวญหรือค ว, ความมีเมตตากรุณาแท้จริงอนันนี้นอกจากชื่อแล้วต้องกล้านะการแสดงความรักต่อคนที่เราลักนี่นมันต้องใช้ความกล้านะเช่นเดียวกับการขอโทษนะมันมีสองสามคำนะซึ่งพูดยากนะ ขอบคุณขอโทษแล้วก็หนูรักพ่อหรือว่าฉันรักเธอสามคำนี้นะยากนะจะขอบคุณพ่อแม่ยิ่ขอบคุณยากนะนะยิ่งใกล้ยิ่งขอบคุณจะคนไกลตัวขอบคุณง่ายใช่ไหมฮะใช่ไหคนที่เราไม่รู้จักบนบนบนบนบนรถไฟฟ้าบนบนท้องถนนเนี่ยนะเราขอบคุณเขาง่ายถ้าเกิดว่าเขาเขาทำอะไรดีๆให้กับเรานิดหน่อยเองใช่ไ ความเคยชินแล้วก็ความความแคร์มันจริงๆเราก็เหมือนบว่าข้าารจะบอกว่าเหมือนงที่เราแย่างเราเดินชนชนนท้องถนเราขอโทษมันก็คือความจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้รู้สึกขอโทษได้ใช่มก็ด้กก็ด้ก็เด้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก้ก็ก็ไดวก็ได้ก็้ก็ก็ไกาไ้ก็กก็ไาก็ได้องกไก็ไก็กก็ได้ก็ไดไก็ก แต่กับพ่อแม่เนี่ยเรารู้เลยชัวร์เลยว่าเขารักเราเขาไม่ว่าเราใช่ไหมลูกเราก็เหมือนกันของตายพูดง่ายเมื่อเขาเป็นของตายเราไม่ต้องทํำดีเขาก็ได้ <stadium> เพราะเรารู้ว่ายัางไงเนี่ยเขาก็ดีกับเราใช่ไหม <ıld> แต่คนอื่นถ้าเราไม่ทําดีเขาเขาอาจจะไม่ดีกับเราใช่ไหม <ones S 1> มันมีมันมีความรู้สึกที่ที่ที่ไม่ไม่แน่ใจ <luôn> ว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราทํำดีเ ข, imiz, uh ขา <ø> เนี่ยเขาก็จะทําดีกับเรา แต่คนที่เราลักเนี่ยพ่อแม่สามีจนทั่งถึงพี่น้องแล้วก็ลูกเนี่ยนะคือเราไว้ใจเรามั่นใจว่าเขาเขาดีกับเราเราทำยังไงเขาก็ยังรักเราอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยระมัดระวังเนี่ยแล้วพอเราทำที่เป็นนิสยัยใช่ไหมมันก็เริ่มจะไม่กล้าที่จะพูดแล้วไม่กล้าขอโทษการไม่กลาขอโทษพ่อไม่กล้าขอโทษแม่ไม่กล้าขอโทษ ล, ล, ลูกเนี่ยนะ มันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สึกผิดนะแต่เราไม่กล้าพราะเราไม่เราไ ม, ไม่เคยทำเนี่ยทุกอย่างเวลาทําครั้งแรกนี่มันยากเสมอใช่ไหมฮะไม่กล้าขอโทษไม่กล้าขอไม่กล้าขอบคุณนะแล้วก็ไม่กล้าบอกรเลาไม่ต้องอาศัยความกล้านะแล้วความอัตมาเนี่ยจําได้เลยนะตอนที่จะไปขอโทษพ่อครั้งแรกเนี่ยผมใช้ความกล้ามากเลยเพราะมันมีเรื่องอัตตามันมีเรื่องของทิฏฐิมานะ ใช่ไหมขอบคุณเนี่ยซึ่งน่าจะซึ่งน่าจะง่ายกว่าหรือบอกรักซึ่งน่าจะง่ายกว่าก็ไปเรื่องอยากเพราะว่าเราไม่เคยทำแลวเราเขินนะอาตมาเคยนะไปเยี่ยมไปเยี่ยมคนไข้นะคนไข้อาตามาก็ไม่รู้จักนะเขาเป็นผู้หญิงอายุเจกว่าลูกสาวเนี่ยอายุห้ 50. อาตมาเลี้ยงทั้งสองคนแต่ร่วมแม่พกลัี้ยตาย ธรรมาก็แนะนําเขาหลายอย่างแนะ น, นําแนะนําลูกกันนะแล้วก็แนะนําอย่างหนึ่งคือว่าให้พูดถึงความดีของแม่ขอบคุณแม่บอกรักแม่แกไม่พูดแกพูดไม่ได้แม่กำลังจะตายนะนี่โอกาสสุดท้ายนะอาจจะเป็นเพราะว่าธรรมาก็มองแง่ดีว่าเป็นเพราะว่าถ้าธรรมาอยืนจะคงไม่ค่อยกล้าพูดกระดาษ ก, ก็หวังว่าถ้าธรรมาไม่อยู่แล้วเนี่ยแกคงจะพูดแต่ถ้าธรรมาไม่อยู่แล้วแกยังไม่พูดอีกนะ วันนี้ก็เสียใจแทนนะเสียใจว่าโอกาสสุดท้ายนี่กลังจะหลุดลอยไปนะมีอีกลายหนึ่งนะเป็นเป็นผู้ชายเนี่ยแกเป็นบรรเลงสามเลืวสุดท้ายเนี่ยนะแกฝ้าแต่ถามภรรยาว่าแม่แ ม, แม่รักพ่อไหมทั้งสองคนอายุ ป, ประมาณสี่สิบผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงห้าวคล้ายๆแมเป็นเป็ น, ปนคล้ายๆกับเป็นแม่แมเป็น แมค้านะแกไม่ยอมตอบสาวมาสุดท้ายแกก็ถามอีกแม่แม่รักพ่อไหมแกก็ไม่ตอบคราวนี้พอคนไข้เนี่ยถามมากๆเนี่ยแม่รักพ่อไหมแกลาคาญนะแกพูดเสียงดังเลยจะบ้าหรือไงถ้าไม่รักจะอยู่ได้ไงตั้งยีปีคือตั้งใจจะบอกว่าฉันก็รักเธอกูก็รักมึงอ ะ, <ล>ะแต่พูดตรงๆไม่ได้ก็ูมือนกันเนี่ยพ่อเนี่ย ช่วยเอาหัวมาวางไว้ที่หน้าอกพ่อหน่อยคือบอกพุ่บอกไม่ได้บอกไม่ได้ว่าลูกมากอดพ่อหน่อยบอกไม่ได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยเป็นนี่กรณีนี้เป็ น, เ ป, นเป็นคนป่วยใช่ไหมแต่ในกรณีที่ธรรมมาเล่าเนี่ยเป็นคนปกติก็อยากจะบอกว่าฉันรักเธอหรือบางทีอาจจะแต่พูดไม่ได้ก็เลยพูดต่อ้่าว่าถ้าไม่รักกันอยู่ได้แค่ที่ย้าปีสุทัศก็ไม่ได้พูดแล้วพอผัวตายก็มาเศร้าใจร้องไห้ ว่าทำไมแค่นี้พูดไม่ได้ฉันรักเธอสามคำอาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยไม่เคยพูดว่าฉันหรือเธออาจจะกูรักมึงตลอดก็ได้นะมากูรักมึงก็ได้นะมาหรือคือเนี่ยเห็นไหมฮะแม้กระทั่งคนกำลังจะตายเนี่ยรักก็รักแต่เราไม่พูดเพราะอะไรมันไม่กล้ามันกระดาความยากอยู่ตรงนี้ไงก็คือว่าจะชนะความกลัความความไม่กล้าได้อย่างไร มันต้องใช้ความกล้านะการบอกรักเนี่ยต้องใช้ความกล้ามันไม่ใช่แค่อาศัยความเชื่ออย่างเดียวนะว่าว่าพูดแล้วมีประโยชน์พูดแล้วเนี่ยมันส่งผลแต่คุณต้องอาศัยความกล้า mm hmm. ใช่ไหมและเพ่อนเนี่ยมันถึงยากเนี่ย mm hmm. เพราะเราเราไม่กล้าแล้ว เ, เราไม่เคยเรากระดาษ mm hmm. ใชขอขอโทษก็เหมือนกันนะนะขอบคุณก็เหมือนกัน mm hmm. นะหลายคนเนี่ยพอพอบอกจะขอโทษนะ ก็เออเอาไว้วันหลังก็แล้วกันนะวันนี้ยังไม่พร้อมแล้วบางคนก็ไม่ได้ขอโทษนะมีเพื่อนมีเพื่อนที่สนิทกันมากนะแล้วก็มาทะเลาะแหงกันตอนตอนมัธยมแล้วก็ไม่เจอหน้ากันอีกเลยพอรู้ว่าเพื่อนป่วยก็ก็มาเยี่ยมแล้วก็รู้สึกผิดนะว่าการทะเลาะเบาแวงจนกระทั่งไม่คุยกันเมื่อตอนเป็นมัธยมเมื่อตอนเรียนมัธยมเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระของเด็กใช่ไหมก็อยากจะขอโทษแต่ก็ เห็นว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วกันคือจะไปขอโทษแล้วนะพอจะพูดมาพูดไม่ออกเลยบบว่าอีเหตุผลนึงก็ขึ้นมาว่าเนี่ยพรุ่งนี้ก็แล้วกันก็ผัดผ่อนพอถึงพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ขอโทษแล้วนะตายเพื่อนตายก็มาเสียใจว่าทําไมเราไม่ไม่พูดตั้งแต่วันนั้นคือจะมาดูนะถ้าเราหักหลบหักหลบรบนี้แล้วนะถ้าเราไม่กล้าพูดวันนี้นะเราจะเสียใจ ไปอีกนานอาจจะ10บปีหรื อ, อยี่สิบปียิ่งถ้าเกิดว่าเราลองกล้าสักหน่อยวันนี้นะไอ้ที่จะต้องเสียใจ10ปียีปีข้างหน้าเนี่ยก็จะหายไปคิดสลาตะโบรก่อนแล้วเนี่ยคิดว่าคุมนะคุมนะใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่กล้าพูดวันนี้นะแต่ว่าไปไปแบกรับความทุกข์อีก20ปีเนะี่ยโอ้โหมันขาดทุนเลยนะใช่ไหมแต่ถคุณกล้าวันนี้นะแล้ววันหน้านะคุณไม่มีความสุกผิดนะคือคิดคือแค่คิดแบบใช้ใช้หัวเนี่นะหักลบหั ก, กลบรลม น, นี้แล้วเนี่ย มันกำไรอยู่แล้ว <นะ S 1> ล่ะมันคุ้มอยู่แล้วล่ะใช่ไหมงั้นทําไปเถอะนะคราวนี้อตมาก็มองนะมันก็บางครั้งเนี่ยนมันมีมันมีมันมีปมใช่ไหมพ่อเนี่ยเขาทําให้ดีกับเราใช่ไหมอัตมานึกถึงนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งนะแกแกอายุสักกลางคนละแกหันมาสนใจเป็นฝรั่งนะแกเริ่มมานั่งสมาธิ แล้วแกทําไปทําไปแล้แกก็ได้สมาธิดีขึ้นเรื่อยๆรงกันทั่งพอแกจิตแกสงบนี่นะมันก็จะมีนิมิตเห็นมือโผล่ขึ้นมาเป็นนิมิตนะเป็นมือที่โผล่มาแกเห็นมือตั้งแต่ก็ตกใจพอมือนั่นคือมือของพ่อแกจําได้แล้วมือเนี่ยคือมือที่ตบแกตอนเป็นเด็กพอแกเห็นมือนี่เนี่ยทั้งโกรธทั้งกลัวทั้งรู้สึก ถึงความเจ็บปวดแต่เลิกเลยเลิกนั่งสมาธิเลยแล้วพอนั่งสมาธิเท่าไหร่ก็เห็นมือเนี่ยโผล่ขึ้นมานะมันทุกข์มากมันทรมารมากมันมีความรู้สึกระยาป่าปนกันทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งเจ็บปวดทั้งกลัวกลัวโกรธเกลียดเนี่ย น, นะมันมาด้วยกันเลยก็การทานั่งสมาธิหลายครั้งก็จะเป็นอย่างเงี้ยสุดท้ายแกก็เลิกนั่งเพราะมันเป็นทรมารนะมันเป็นความเจ็บปวด แต่แล้วแกเรื่องนั่งเนี่ยแกคิดว่าถ้าแกไม่นั่งสมาธิเพียงเพราะเหตุนี้เนี่ยชีวิตแกคงจะไม่มีทางที่จะก้าวหน้าในทางธรรมได้แล้วแกก็เลยคิดว่าเนี่ยแกจะแกจะพยายามที่จะข้ามตรงนี้ไปให้ได้แก่จะไม่หนีมันละไอ้นิมิตเนี่ยเพราะว่าถ้าแก่หนีมันแกก็จะนั่งสมาธิไม่ได้เลยแล้ววันหนึ่งแกก็ตั้งใจที่จะนะที่จะเผชิญหน้ากับมัน พอแกสมาธิดิ่งลงไปเนี่ยนะมันก็เห็นมือนี่นะความรู้สึกโกรธเกลียดกลัวมันก็ท่วมท้นใจแต่แกก็พยายามนะพยายามที่จะไม่ไม่หนีมันแล้วก็ดูมันปรากฏว่าพอมาดไูไอ้มือนี่นะแต่ก่อนแกไม่เคยดูจริงๆเลยนะไอ้มือนี่มันไม่ใช่มือที่จะตกแกนะมันเป็นมือที่ขอมันไม่ใช่มือที่ตบมนันมือมือที่ขอ ขออะไรเมื่อแกออกจากสมาธิเนี่ยนะแกพิจารณาถึงชีวิตของพ่อที่ผ่านมาเนี่ยแกก็เข้าใจคําตอบคือพ่อแกเนี่ยเป็นพนัก ง, งานพูดน่าเป็นพานโรงพูดง่ายนะแล้วก็อยู่ในที่อยู่ที่ทํา ง, งานเนี่ยก็ถูกกดถูกข่มถูกดูด่ดาว่านะอยู่ในที่อยู่ที่ทํา ง, งานเนี่ยมีความทุกข์มากนะ ไอ้ความรูมส้สึกความสทุกความอึกเครียดที่ถูกกระทำย่ำยีเนี่ยนนะพอมาที่บ้านมันก็มาออก<ม>ที่เมียที่ลูกแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยพ่อก็ต้องการความรักเพราะว่าอยู่ที่ทำ ง, งานเนี่ยมันไม่ได้รับความรักมันไม่ได้การยอมรับเลยปรารถนาการยอมรับความรักจากเมียแล้วก็ลูกแต่ก็ไม่เคยได้เพราะอะไรเพราะว่าตอบเมีย ตอบรู bạn, <a a ้ไปประจาเพราะถูกเพราะเครียดไงเพราะถูกกระทำที่สำนักงานใช่ไหคนเราเป็นอย่างนี้นะสมมติว่าถูกถูกกดที่ทำงานก็มาออกที่บ้านใช่ไหผัวก็ตีเมียเมียก็ตีลูกลูกก็แตะหมาหมาก็ไล่แมวแมวก็อัดหนูใช่ไหมไล่กันไทอดทอดใช่ไหมใช่ไหมเพราะเนี้ยแกรู้เลยนะว่าโอ้พ่อนี่น่าสงสารนะ แต่ก่อนเกียดพ่อแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นใจพ่อสงสารพ่อเพราะพ่อต้องการความรักและพ่อไม่เคยได้รับตลอดชีวิตเลยพอเห็นตรงนี้นะแกหายโกรธหายหายเกลียดพ่อเลยมีแต่ความเห็นใจความรักมาแทนที่คือไอ้คนที่เราคิดว่าเขาเป็นผู้กระทำนะที่ทำให้เราบาดเจ็บเนี่ยที่จริงเขาคือผู้ถูกกระทำพอเราเห็นว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำนี้นะเราเกลียดเขาไม่ลงแล้ว มีลายหนึ่นะพ่อทิ้งเขาตอนนี้ก็เป็นเด็ก<ม>เขาเห็นเลยนะว่าตอนที่โมเมนต์ที่ตอนนั้นเขาอยู่ข้างบนบนันไดแล้วเขาลงมาข้างล่างเนี่ยเห็นคือได้ได้พ่อแม่ทะเลาะ ก, กันอย่างแรงเลยแล้วทะเลาะ ก, กันหลายครั้งมานาะและคืนนั้นเนี่ยเขาเห็นพ่อเนี่ยนะหิ้วกระเป๋าแล้วก็กําลังจ่อจากประตูก่อนที่ออกประตูพ่อเนี่ยมองมาที่เขาซึ่งอยู่บนบ น, บนบนบันได ใช่ไหมตอนนั้นเขาอยู่ปันทั้งหกครัพ่อมองเสร็จแล้วพ่อก็เดินออกไปแล้วพ่อก็ไม่กลับมาเลยเขารู้สึกแย่มากที่ว่าพ่อทิ้งเขาแล้วความรู้สึกนี้เนี่ยมั น, นทําให้เขาสึกไม่มัน่ในใจตัวเตลอดเวลาเวลาเขาคบเขาคบกับใครเนี่ยเขาจะรู้สึกอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเขาจะถูกทิ้งแล้วเมื่อเขาแต่งงานเนี่ยนะความสมัยเขากับสามีก็ไม่ดีแล้วสุดท้ายสามีก็ทิ้งเขา แล้วเขาเจ็บปวดมากนะเพราะเขาสุดเขาไม่มีค่าเลยเลยแล้วแต่ว่าเขาก็สนใจวันหนึ่งเขาก็สนใจธรรมะเขาก็มาปฏิบัติธรรมแต่เขาข้ามพ้นในตรงนี้ไม่ได้ความโชกเขาไม่มีค่าไม่มีความหมายแต่เขาได้อาจารย์ดีนะอาจารย์ดีอันนี้เป็นฝรั่งนะอาจารย์นี้ก็ให้เขาเนี่ยนะหลังจากที่เขาเจริญสติมาระดับหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็ให้เขาเนี่ยกลับไปในเหตุการณ์นั้นกลับไปในเหตุการณ์ในวันที่เขาเห็นพ่อเนี่ย เดินถือกระเป๋าแล้วก็จากเข้าไปทั้งที่หลังจากที่ศบตาพับนะโกรธก็เกลือดโกรธพ่อแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองนี้ไม่มีค่านะพ่อยังทิ้งเราไปได้เลยตอนที่กลับไปเหตุการณ์นั้นมันทุกข์มากนะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณลองเนี่ยไปไปนึกว่าคุณเป็นพ่อในโมเมนต์นั้นเนี่ย ตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไร mm hmm. เขาอินนะนะเขาเาเขา เ, เขาย้อนเขาเอาจีของเขาเนี่ยกลับไปนะเข้าไป mm hmm. เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของพ่อ mm hmm. และเขาพบว่าโมเมนต์นั้นเนี่ยความรู้สึกของพ่อคือว่าพ่อจะปวดมากนะลูกนะ mm hmm. พ่ออยู่ไปไม่ไหวแล้วพ่ออยากจะอยู่กับลูกแต่พ่ออยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยพ่อต้องไปแล้วนะ mm hmm. ตอนแรกที่เขารู้สึกที่นีิล้พ่อรักเขาแต่พ่อต้องไปเพราะพ่ออยู่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมโอ้แล้วตอนเขาก็ร้องไห้เรียกว่าน้ำตานี่ล้นทะลักเลยเพราะเขาเข้าใจผิดมาตลอดว่าพ่อไม่รักเขาใช่ไหมแต่จริงเนี่ยพ่อรักแต่พ่อจําต้องไปเพราะพ่อก็ไม่ไหวแล้วแล้วพ่อคงอาจจะคิดว่าจะกลับมาแต่ว่าประสบอุติเหตุหลังจากนั้นหปีสิปีก็เลยไม่ได้กลับมาหาเขา นั่นคือถ้าเราพิจารณาแบบนี้เนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาคนที่เขาทําความเจ็บปวดให้กับเราเนี่ยที่จริงก็ไม่ตั้งใจและที่จริงเขาก็เจ็บปวดไม่ น, อน้อยไปกว่าเราและ ต, ตรงนี้ที่มันจะเปลี่ยนความสัมพันธ์จากความรู้สึกเกลียดความรู้สึกโกรธเนี่ยกลับมากลับมาเป็นความเข้าใจความเห็นใจ<ม>และจากความรู้สึกว่าเรานี่แย่เราไม่มีคุณค่าเขาทิ้งเราเนี่ยก็กลับมารู้สึก และรับการเติมเต็มว่าเราก็มีค่าแม้กระทั่งในสายตาของพ่อเหมือนกันตรงนี้มันเป็นกบบระบวนการภายในนะที่เราต้องต้องต้อ ง, องสาวไปให้ถึงซึ่งบางครั้งเจ็บปวด น, นะเพราะคุณต้องกลับไปนะกลับไปสู่เหตุการณ์ครั้งนั้นนะแต่ถ้าคุณหนีนะคุณหนีคุณก็จะไม่มีทางได้เข้าใจความจริงแต่ถ้าเรากลับไปบางทีความจริงที่ที่เราพบเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหลุดออกไปจาก บาดแผลในอดีต mm hmm. กระบวนการนี้ต้องใช้สติมากนะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีสตินะคุณจะไม่สามารถจ ะ, ะเผชิญกับเหตุการณ์นั้นได้เลยเพราะคุณจะหลบคุณจะหลีคุณจะหนีตลอดเวลาและไม่กดข่มเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักคนเราจะมีความรักความเ ม, มตตาแสดงออกได้เนี่ยมันต้องอาศัย ส, สติเข้ามาเป็นตัวตัวตัวหนุน ม, มากทีเดียวแล้ว mm hmm. ก็เพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นประเด็นเหล่อนี้ไว้ให้ลองพิจารณา ยองเมื่อก่อนเนียยองที่เคยคิดนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่โยองไม่ได้อยาดเราก็ไม่ได้มีเรื่องของภุมคุที่ันะคะแต่ว่าตั้งแต่เราเด็กเรามา เ, เราไม่เคยเห็นพ่อแม่เราคุกกิบ ก, กันหรือว่าไม่ยมจะรู้สึกว่าบ้านเราไม่เหมือนบ้านอื่นแต่พ่อกับแม่เนี่ยเขาจะแซนเปันตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาจะฟาดฟันกันด้วยวาจ า, า, าเขาก็จะแดะ ก, ก, กันตลอดเลย <c oughs> จนถึงวันหนึ่งเนี่ยเมื่อลูกจบ เรีนจบแล้วเนี่ยเขาก็แยกกันแต่เขาก็ไม่อยากกันนะคะแล้วโยมก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเกิดว่าฉันแต่งงานเนี่ยฉันจะไม่มีทางเป็นแบบนี้คือมันเหมือนกับอยู่แบบไม่ได้รักอย่างเง้ยนะคะแต่ว่าเราก็ด้วยความที่ว่าเราก็ไม่รู้ตัวพอเรามาแต่งงานกับคนเดนิสนี่ยโยมพูดภาษาเขาได้เร็วมากไม่ได้ไม่ได้บ้าเก่งนะคะ แต่วมมรู้สึกว่าเวลาด่าเขาเป็นภาษาสิ่งมันไม่สะ <c oughs> ใจอะไรพวกภาษาเขาเร้เร็วแล้วแล้วแล้ ว, ลวอยอมก็งมาถ้าต้มาคิดว่าเฮ้ยถ้าเราม่ถ้ถ้าวันนั้น